ห้ารอปส <c oughs> เอ่อประสุในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้มีอายุสั้นทุโพลภาพหรือความมีโรคภัยไข้เจ็บมากของมนุษย์ <c oughs> ว่าทำไมมนุษย์มีลักษณะอย่างนี้นะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมหรือผู้ปกครองนะสมัยนั้นราชยุทธ์นะคือข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเหมือนกัน <c oughs> เมื่อราชยุททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และข้าบเดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม <c oughs> มันจะไหลลงไปเรื่อยๆเนะพราะเมื่อผู้ปกครองไม่มีธรรมผู้นี่ผู้แวดล้อมผู้ปกครองก็จะไม่มีธรรมาด้วยเหมือนกันมันะจะเห็นตัวอย่างจากหัวหน้านั่นเองเมื่อพราหมณ์ข้าบเดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ทีนี้ก็เริ่มเละละนะลงไปถึงชาวเมืองชาวชนหมดทั้งหลายเมื่อชาวเมืองชาวชนหมดทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอนะเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักษัตวและดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอวงรอบของมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะเกิดความแปรปลวน คืนวันก็จะไม่สม่ำเสมอนะเดือนปีไม่สม่ำเสมอฤดูและปีนะลมพัดไปมาไม่สม่ำเสมอนะฝนตกไม่สม่ำเสมอพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่สุกไม่สม่ำเสมอดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพันซาม ทุพพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมากอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจนะัยของการเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพันซามทุพพลภาพอย่างหนึ่งอีกนยัยยะหนึ่งพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อพระราชาหรือชนชั้นปกครองเนี่ย <c oughs> ในสมัยที่ท่านกล่าวว่ามนุษย์มีอายุขาย 80,000 ปี มีการกระทำชนิดที่เป็นไปแต่เพียงเพื่อการคุ้มครองอารักขาไม่ได้เป็นไปเพื่อการกระทำให้เกิดทรัพย์แกบุคคลผู้ไม่มีทรัพย์ทั้งหลายดังนั้นแล้วความยากจนขัดสนก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด <c oughs> เรื่องปากท้องนี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน เพราะความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอทินนาทานก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะอธินนาทานเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการใช้สัตว์ราวุธโดยวิธีต่างต่างก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะการใช้สัตว์ราวุธโดยวิธีต่างๆเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดปานาธิบาศก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมุสาวาศ นะก็เป็นไปอย่างกว้างขวางช่วงนี้ก็มนุษย์อายุขายลดถอยลงมาเหลือเพียง 40,000 ปี <c oughs> จากนั้นปิสุนวาสการพูดยุยงให้แตกกันกาเมสุมิชาร์จารกนะ็กว้างขวางแรงกล้าอย่างถึงที่สุดมนุษย์ก็ลดลงเหลือ 20,000 ปี 10,000 ปี 5,000 ปี 2,500 ปี 1,000 ปี500ปี <c oughs> อกุศล น, นะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมนุษย์อยู่ในช่วงอายุร้อยปีม <c oughs> สมัยนั้นนะ <c oughs> ผู้เจ้าเราเนี่ยมาเกิดในช่วงมนุษย์อายุร้อยปีแล้ว อายุของมนุษย์ก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนรทั่งเหลือ10ปีนะสมัยนั้นจะมีสมัยที่มนุษย์มีอายุไขลดลงมาเหลือเพียง10ปีหญิงอายุ5ปีก็มีบุตนะรรสทั้ง5้าคือในสายในค้นน้ำมันน้ำพึงน้ำอ้อยและรสเข็มก็ไม่ปรกากฏมนุษย์ทั้งหลายกินหญ้านะกุตุลุศกะนะ แทนการกินข้าวกุศลกรรมบดหายไปไม่มีร่องรอยอากุศลกรรมบดรุ่งเรืองถึงที่สุดในหมู่มนุษย์ไม่มีคําพูดว่ากุศลจึงไม่มีการทํากุศล <c oughs> มนุษย์สมัยนั้นจักไม่ยกย่องสรรเสริมมัดเตยธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อมารดาบิดาสามณะชีพราหมณนะ์กุลเทศถาปจายณะธรรม หมายถึงความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำไม่มีไม่สนใจอะไรแล้วนะ <c oughs> ไม่มีคำพูดว่าแม่น้าชายน้าหญิงพ่ออาลุงป้านะสัตว์โลกจะกระทําการสามเพศสมสู่สำสอนเช่นเดียวกับแพะแกะไก่สุกรสุนักสุนักจิ้งจョ ความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดฆ่าเป็นไปอย่างแรงกล้าแม้ในระหว่างมันดากับบุตร <c oughs> บุตรกับมันดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่กับน้องน้องกับพี่ทั้งชายและหญิงเหมือนกับนพรานมีความรู้สึกต่อเนื้อทั้งหลายสมัยนั้นจักมีสันทัตตะกับนะคือการใช้สาราวุติติดต่อกันไม่หยุดหย่อนตลอดเวลา7วัน สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสําคัญแก่กันและกันราวกับว่าเนื้อแต่ละคนมีศาสตราวุธในมือปลงชีวิตซึ่งกันและกันราวกับว่าฆ่าปลาฆ่าเนื้อน <c oughs> มันจะค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยนะอกุศลเนี่ยนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันอยกความเป็นกุศลให้เกิดขึ้นะมันก็จะค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ท่านก็ย่อมาแล้วเรื่องเต็มก็ต้องไปดูในพระไตรปิฎกในพุทธวจนะที่ท่านตัดย่อมาเพื่อไม่ให้หนังสือมันเล่มใหญ่โตเกินไปอันนี้มันก็เล่มใหญ่มากพ อ, อท่านบอกว่าในวงเล็บมีมนุษย์หลายคนไม่เข้าร่วมวงแห่งสรรทัตระกับด้วยความกลัวนี้ไปซ่อนตัวอยู่ในที่ที่พอจะซ่อนตัวได้ตลอดเจ็ดวันแล้วพากันกลับออกมาพบกันและกันยินดีสวมกอดกัน กล่าวกับกันและกันในที่นั้นว่ามีโชคดีที่รอดมาได้แล้วก็ตกลงกันในการตั้งต้นที่จะประพฤติรมกันใหม่ต่อไปชีวิตมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้นจากสิปีตามลำดับจนถึงสมัยแ0ด0 0่นปีครั้งหนึ่งจนกระทั่งเป็นสมัยแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเมตเตยะสัมมาสัมพุทธะนะก็จะมาตรัสลุในช่วงนั้น นั้นตรงนี้เป็ น, นเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้ น, นซึ่งผู้เจ้าได้พยากรไว้นั้นดูดีๆนะพุทธพยากรอะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็พยากรกันแต่งเองกันบ้างอะไรกันบ้างอันนี้ก็คือต้องตรวจสอบจากบาลีสยามรัฐนะแล้วก็ให้ ลงไปในระดับของพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะไม่งั้นก็มัน <c oughs> กลายเป็นคนอื่นพยากรไม่ใช่พระพุทธเจ้าพยากรซึ่งมันไม่มีความเที่ยงนะเปลี่ยนแปลงได้อ่วันนี้รับไปสักสองพ ร, รนะ <c oughs> พอเป็นเขาล้างให้ เกิดความไม่ประมาทนะแสดงว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงขาลงนะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเราะฉะนั้นอะไรที่จะป้องกันความเสื่อมได้ก็ช่วยกันป้องกันตั้งแต่การป้องกันความเสื่อมในคำของพระศาสดาก็คือ พยายามใช้คำพระศาสดาศึกษาคำพระศาสดาของเรานะพุทธวจนะทมและวินัยที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะพยายามหยิบหนังสือทุกครั้งให้หยิบพุทธวจนะนะให้เราจะเกิดความคล่องนะจะเข้าใจในอัตในธรรมมาก